ตอนที่80สิสวัสดีปีใหม่เจียนเ ย, ยช่วงที่ฉันไม่อยู่บ้านเกิดเรื่องขึ้นมากมายขนาดนี้ทํำไมคุณถึงไม่บอกฉันบ้างหลิวเคอเครอรู้สึกปวดใจแทนเขาโจเจียนเ ย, ยนั้นความจริงแล้วเป็นผู้ชายที่ดีมากคนหนึ่งไม่อย่างนั้นตอนแรกนางคงไม่ตาถึงเลือกเขาบัดนี้พวกนางกว่าจะลงเอ่ยกันได้ไม่ง่ายเลยหลิวเคอเคอย่อมหวังว่าทั้งสองคนจะมีจุดจบที่ดีต่อกันแม้จะเพื่อลูกในท้องก็ตามตอนที่ผมไม่อยู่บ้านคุณกับแม่ทะเลาะ ก, กันอีกแล้วหรือ โจจี้นเย่ยนึกไม่ออกว่าใครจะเป็นคนบอกหลิวเคอเคอนอกจากแม่สามีกับลูกสะใภ้คู่นี้ที่ไม่มีวันพูดใจ ก, กันดีๆได้ความเป็นไปได้มากที่สุดคือคงทะเลาะ ก, กันอีกแล้วโจเจี้นเยี่ยขมวดคิ้วด้วยความรำคาญตอนผมไม่อยู่บ้านพวกคุณอยากจะทะเลาะ ก, กันอย่างไรก็เชิญแต่หลังจากนี้อย่ามาพูดอะไรต่อหน้าผมอีกผมไม่อยากฟังเปล่าข้าเราไม่ได้ทะเลาะ ก, กันหลิวเคอเคอร์อรีบกล่าว ฉันหมายความว่าคุณควรจะบอกฉันล่วงหน้าฉันจะได้ออกไปหางานที่เหมาะสมทาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านบ้านการเลี้ยงดูครอบครัวไม่ใช่หน้าที่ของคุณคนเดียวแต่มันเป็นเรื่องของเราสองคนไม่ต้องหอกโจเจียนเยยยกมือขึ้นรูปหน้าแรงแรงน้ำเสียงเหนื่อยล้า ตอนนี้สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือบำรุงคันให้ดีเรื่องหางานเอาไว้ค่อยว่ากันทีหลังเธอลำพังเงินเดือนของผมคนเดียวก็เลี้ยงคุณได้แม้ตอนนี้จะหาได้น้อยหน่อยแต่ตรับใดที่เราประหยัดอดออมมันก็เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายแน่นอนแม่ให้เงินเก็บทั้งหมดของท่านแก่ผมแล้วชีวิตของเราจะค่อยๆดีขึ้นเองหลิวเคอเคอร์อมองโจเจี้นเยี่ย ด, ด้วยในตาคลอบเบ้านางจะเข้าใจได้หรือไม่ว่าผู้ชายคนนี้ยอมอ่อนข้อให้เพื่อนางแล้วนั่นแสดงว่านางยังมีความสำคัญในใจของผู้ชายคนนี้ใช่ไหม เมื่อคิดได้เช่นนี้หลิวเคอเคอก็โผลเข้ากอดโจเจียนเย่ยทันทีน้ำเสียงสะอื้นให้เจียนเย่ยฉันผิดไปแล้วต่อไปฉันจะไม่หาเรื่องคุณอีกและจะไม่ไปวุ่นวายกับหลี่ชิงผิงด้วยเราจะปิดประตูใช้ชีวิตของเราไปใครก็อย่าได้มาล่วงเกินใครโจเจียนเย่ ย, ยกมือขึ้นตบหลังนางเบาๆหากคุณคิดได้เช่นนี้ก็ดีที่สุดแล้วตอนนี้ดึกมากแล้วคุณกำลังตั้งครรภ์ไม่ควรนอนดึกขนาดนี้ไปนอนเถอะหลิวเคอเค่อรโน้มตัวเข้าไปจุมพิษที่แก้มของเขาแล้วเ อ, อ่ยเสียงหวานว่าตกลงค่ะโจเจียนเย่ย หวังว่าต่อไปหลิวเคอเคอจะสงบเสงี่ยมจริงๆเสียทีอย่าได้ก่อเรื่องอีกเลยเขาแบกรับความวุ่นวายไม่ไหวแล้วบางครั้งเมื่อมองดูคนอื่นใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขโจเยี่ยนเยี่ยก็ะอดที่จะรู้สึกอิจฉาไม่ได้ตอนนี้หลีชิงผิงมีชีวิตที่ดีในใจของเขาก็รู้สึกขมขื่นอย่างรุนแรงเขามักจะรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ทนุธนามนางให้ดีการที่ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ล้วนเป็นเพราะเขาทําตัวเองทั้งสิน้น วันปีใหม่ที่บ้านตระกูลเจิ้งนั้นคือคักเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพวกเด็กๆที่ร่าเริงกันเป็นพิเศษก่อนถึงวันปีใหม่เจิ้งเซาหยางก็รบเร้าคุณปู่คุณย่าให้ซื้อพลุและประทัดซื้อมาส่วนหนึ่งก็ยังไม่พอผ่านไปไม่กี่วันก็จุดจนหมดแต่เช้าตรูจึงไปรบเร้าอาสภายให้ซื้อให้อีกตอนนี้หลีชิงถิงมีเงินเก็บอยู่บ้างหากเด็กๆชอบนางก็ซื้อให้นางเป็นคนพูดง่ายเมื่อเจอิ้งเซาหยางซื้อกลับมาก็ถูกดูดตามระเบียบเจิ้งอวิน๋นชงมองหลีชิงถิงด้วยสายตยใจ วันหน้าถ้าเจ้าพวกเด็กแสบพวกนี้อยากได้อะไรจากคุณคุณก็บอกผมโดยตรงอย่าไปรบปากพวกเขาทุกเรื่องปกติเด็กๆพวกนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาหาฉันพอมีเรื่องมาหาทั้งทีฉันที่เป็นอสภัยจะใจดาไม่ซื้อให้ได้อย่างไรคะมุมปากของหลีชิงทิงผลิรอยยิ้มเก้อเขินความจริงความสุขของเด็กๆมันเรียบง่ายมากอีกอย่างก็ไม่ได้เสียเงินเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะผมไม่ได้ห้ามไม่ให้คุณตามใจพวกเขาแต่ถ้าเป็นลูกสาวล่ะ ก, ก็อยากจะตามใจอ ย, อย่างไรก็ตามใจไปเถอะแต่ลูกผู้ชายควรจะได้รับการฝึกฝนให้ดี ข้าฉันเข้าใจแล้ววันหน้าฉันจะถามคุณก่อนเจ้างวิ๋ชงไม่ได้ตำหนิหลีชิงผิงจริงๆเพียงแต่เห็นนางตามใจพวกเขาเกินไปเกรงว่าวันหน้าพวกเด็กๆจะเรียกร้องอะไรที่เกินเลยไปกว่านี้หลีหวานไม่ได้มีความสนใจในการจุดพลุเท่าใดนะัะคืนวันส่งท้ายปีเก่าหิมะเริ่มตกครั้งนี้หิมะตกหนักกว่าครั้งก่อนมากเลยหิมะโปรยปลายนางเฝ้ารอที่จะได้เห็นทัศนียภาพหิมะในวันรุ่งขึ้นวันต่อมาท้องฟ้าภายนอกเพิ่งจะเริ่มสว่างรำไรหลีหวานก็ตื่นแล้ว นางรีบสวมเสื้อผ้าออกไปข้างนอกด้วยความตื่นเต้นหิมะทับถมกันหนาถึง10บเซนติเมตรแล้วเสียวหวานมาทานข้าวก่อนทานเสร็จแล้วอยากจะเล่นอย่างไรก็ตามใจคุณปู่คุณย่าสวัสดีปีใหม่ค้าหลิววันเป็นเด็กผู้หญิงจึงไม่ต้องออกไปเดินสายโอยพรปีใหม่นางนอนจนตื่นสายถึงค่อยลุกจากเตียงส่วนพวกเจ้างเศร้าเหิงออกไปกันนานแล้วดูเหมือนว่าเมื่อคืนพวกเขาจะไม่ได้นอนทั้งคืนเพื่ออยู่โยงเฝ้าปีใหม่ดีจ้าเจ้าชุนฮวายิ้มอย่างมีความสุข เสี้ยววันนี้เป็นเงินอ่งเปาของหนูสุขสันต์วันปีใหม่นะจ๊ะลีวานเหลือบมองแวบหนึ่งแล้วก้มหน้าห่อเกี๊ยวต่อเกี๊ยวที่เหลือจากเมื่อคืนมีไม่น้อยเช้านี้พวกนางจึงทานเกี๊ยวทอดกันขอบคุณค่คุณปู่คุณย่าลีหวานรับมานางทานเกี๊ยวติดต่อกันมาหลายมื้อแล้วพูดตามตรงคือ น, นางเริ่มจะทานไม่ลงแล้วจึงทานไปเพียงไม่กี่คําก็หยุดเดี๋ยวเราพวกเขากลับมาค่อยให้พวกเขาพาหนูออกไปเล่นนะหนูอย่าออกไปคนเดียวล่ะเจ้าชุนฮวากำชับด้วยความเป็นห่วง ช่วงปีใหม่คนในเขตทหารเดินไปไม่เยอะเกินไปทางที่ดีอย่าเพิ่งออกไปเลยคุณแม่คะวันนี้คนที่มาอวยพรปีใหม่ก็มากันเกือบครบแล้วเดี๋ยวจะยังมีมาอีกไหมคะลีชิงผิงเอ่ยถามเดี๋ยวฉันต้องไปอวยพรปีใหม่บ้านญาติคนไหนอีกไหมตอนนี้เจ้ากำลังตั้งคันอยู่ก็ไม่ต้องออกไปหรอกคนอื่นเขาไม่ถือสาเจ้าหรอกจะไว้ปีหน้าค่อยว่ากันเจ้าชุนฮวโบกมือบอกให้นางไม่ต้องกังวลออค่ะมุมปากของลีชิงผิงยกขึ้นเล็กน้อย ความจริงแล้วการแต่งงานแล้วออกไปอวยพรปีใหม่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่แม่สามีไม่ให้นางออกไปก็เพื่อตัวนางเองชิงผิงบ้านเราไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายขนาดนั้นจะไม่ต้องระ ม, มัดระวังตัวเกินไปหรอกใครจะมาไม่พอใจอะไรนั่นก็เป็นเพราะพวกเขาไม่รู้จักความเองเจ้าชุนหวยยิ้มเมื่อคืนหิมะเพิ่งจะตกหนักชั่วไม่กี่วันนี้พวกเจ้าแม่ลูกก็อย่าเพิ่งออกจากบ้านเลยหิมะตกทำมาลื่นไม่ปลอดภยัยตกลงค่ะลิชิงผิงรู้สึกว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันการไม่ออกจากบ้านย่อมปลอดภัยกว่า ตอนนี้นางกำลังตั้งครันพ่อสามีและแม่สามีจึงไม่ยอมให้มีหิมะทับถมอยู่ในลานบ้านช่วงเที่ยงวันนี้คงจะจัดการหิมะในลานบ้านจนสะอาดหมดจดเพื่อไม่ให้ลื่นล้มเวลาเดินออกไปข้างนอกลีชิงผิงนั่งลงช่วยแม่สามีห่อเกี๊ยวพรางพูดคุยกันไปเวลาผ่านไปค่อนข้างเร็วไม่นานนกะพวกเจิ้งเซาเหิงก็กลับมาในกระเป๋าเสื้อผ้าเต็มไปด้วยอ่างเปาและลูกอมเจิ้งเซาสิงมองหลี่หวานแล้วรีบควักลูกอมในกระเป๋าออกมาให้นางทั้งหมดเลือกตามสบายเลยดูสิว่ามีอันไหนที่น้องชอบกินบ้าง สิ่งที่หลีหวันชอบกินที่สุดก็คือลูกอมอนสนมลูกอมอนสนมในยุคนี้ทำจากวัตถุดิบแท้ๆมีกลิ่นหอมของนมและไม่หวานจนเกินไปเจ้งเศร้าเหิงเห็นนางชอบก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ยกกระเป๋าที่เต็มไปด้วยลูกอมส่งให้หลีหวันทั้งหมดหลีหวันมีลูกอมเยอะๆขึ้นมาทันทีนางร้องบอกว่ากินไม่ไหวแล้วคะ่ะลูกอมเยอะขนาดนี้ถ้ากินหมดมีหวังปวดฟันแน่นอนก็ไม่ได้ให้กินหมดทีเดียวเสียหน่อยค่อยๆกินไปสิจะ้ะ